นี้มีคอสเด็กนะคืองานมันขยายเร็วคนที่มีความสามารถนะช่วยกันทำงานในองร์รวมของาศาสนามั น, มนดีคือเราอย่านึกว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมั่นคงที่จริงรอแร่เต็มทีแล้ว มีคนที่เป็นชาวพุทธแท้ๆนะหยิบมือเดียวนิดเดียวยิ่งพูดแบบเทรวาดนะเหลือในเมืองไทยเหลือลังกาเหลือพมา่าในขเขมรในลาวอะไรนะี่ก็เพิ่งจะฟื้นแต่เรื่องกรรมฐานยังไม่แข็งแรงไปที่หลวงพ่อเคยไปเชียงรุ้งนะก็พระไทยนี่แหละไปตั้ง ช่วยเขาทําโรงเรียนทําอะไรตั้งพยายามนะรวมกวับแล้วจริงๆแล้วคนที่เป็นชาวพุทธแบบพวกเรานะเราานี่ยนิดเดียวนะจำนวนน้อยเต็มทีอย่างเมืองไทยว่ามีเจดสล้านก็เป็นแต่ชื่อหรอกสีลห้าก็ว่าไม่เป็นนึกได้ไม่ครบอนะไรพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ไม่รู้ ทั้ธรรมะแท้ๆนะมันเกือบจะสูญเกือบจะสูญไปอยู่แล้วแล้วสังคมก็เปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยทุกวันนี้หาเนนยากที่สุด น, ะ, นะเด็กไปเรียนหนังสือหมดเลยยั่งภาคบังคับมากๆนะไม่มีไม่มีเนนพอเรียนหนังสือจบแล้วก็ถึงเวลาเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วเราผลิตคนไปทำงานทั้งนั้น ทุกวันนี้เนนหายากพระพระก็หายากนะใกล้จะเข้าพรรษาเนี่ยศึกกันเป็นแถวเลยรีบศึกก่อนเข้าพรรษาเวลาบวชก็บวชกันสิบห้าวันเจ็ดวันอะไรเงี้ยสิบห้าวันยังหมผ้าไม่เป็นเลยเห็นว่าแต่จะทำอะไรเลยนะจีวอ น, นี่แหละอย่านึกว่าหมง่ายนะมันไม่มีซิปไม่มีกระดุมนะ ตอนบวชใหม่ๆตอนเป็นนักศึกษาหลวงพ่อไปบินทบาทพาไปหลุดกลางตลาดพระหมมยังไงพระหมกลับวัดไม่ถูกนะเก่งๆจางกบวชนิดนี้หน่อยๆนะ <c oughs> แค่ข้อวัดของพระก็ได้เรียนไม่ได้หมดหรอกนี่เราอย่าหวังเอาศาสนาไปฝากไว้กับพระฝากไว้กับคนอื่นยากแล้ว ศา ส, สนาต้องฝากไว้กับพวกเราเองนี่แหละฝากไว้ในใจพวกเราให้ได้เอาธรรมะมาสู่จิตใจของเราให้ได้ไม่มีที่ไหนที่เหมาะสมกับการเก็บธรรมะไว้นะเท่ากับที่ใจของเราฉั้นต้องเปิดใจของเรานะรับธรรมะธรรมะไม่ตื้นหรอกไม่ใช่เรื่องตื้นๆ ต, ต้องเรียนต้องศึกษา ว่าคนคนหนึ่งจะเข้าใจธรรมะได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยอย่างพวกเราเคยนึกถึงไหมว่าจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาคืออะไรเราก็ตั้งจุดมุ่งหมายไปคนละจุดสองจุดนะจุดน้อนจุดนี้จุดน้อนจุดนี้ต่างคนต่างตั้งตั้งไปตั้งมาตั้งไปคนละที่บางคนก็ตั้งให้เป็นคนดี เป็นคนดีไม่ต้องเป็นาศาสนาพุทธก็เป็นคนดีได้ไม่มีาศาสนาเลยก็เป็นคนดีได้ไม่ใช่เขาจะเร็วเมื่อไหร่ล่ะแนะขวนป้ายว่าเป็นชาวพุทธเรีวได้แม่งก็เรีวได้อีกนะหรือตั้งป้ายว่ามีความสุขไม่มีาศาสนาก็มีความสุขนี่ย <c oughs> คนในโลกเขารู้สึกอย่างนั้นไปยิงนกตกปลาแนละ้วก็มีความสุขมีอีหนูเยอะๆก็มีความสุข <c oughs> หรือเอาความสงบ ฤศีชีพัยเขาก็ทำความสงบทำมาก่อนพระพุทธเจ้านะเอาอะไรนะเอาความพ้นทุกข์นะงนินเป้าหมายสุดท้ายเรียกอ b j e c t i v e ถ้ภาษาไทยแปลตรงๆแนละ้วตัววัตถุประสงค์ความพ้นทุกข์สิ้นเฉิงทุกข์ก็ต้องเรียนอีกทุกข์คืออะไรไอ้พ้นทุกขนะ์นั้นพ้นยังไง ดับสนิทความดับสนิทแห่งทุกถ้าพูดถึงฉีดสุดนะจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาคือเข้าถึงความดับสนิทแห่งทุกดับสนิทเลยไม่มีอีกแล้วยังไม่ถึงความดับสนิทนะก็มีเป้าหมายหนึ่งสองสามสี่เป้าที่หนึ่งคือพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์สี่เป้าเป้าที่หนึ่ง ต้องล้างความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตัวเรานีนี่ต้องเรียนนะ อ, อยู่ๆนึกเอาเองมันนึกไม่ออกทําไมเรียนเรื่องขันห้าว่าขันห้านั่นแหละคือตัวทุกข์ถ้าเราไม่เรียนเราไม่รู้ว่าขันห้าคือตัวทุกข์ใครจะนึกว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์จิตใจเป็นตัวทุกข์ใครจะนึกมันนึกไม่ออกเท่าที่รู้สึกได้ก็คือร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างจิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเห็นอยู่แค่นี้เอง วความรู้สึกสุขเกิดขึ้นก็พอใจจิตใจสุขจิตใจสงบจิตใจดีปรุงดีขึ้นมาก็าพอใจในความเป็นจริงแล้วตัวขันห้านี่แหละตัวทุก์ความดับสนิทแห่งทุกก็คือความดับสนิทของขันห้าไม่มีขันห้าไม่มีขันหแล้วอะไรขันห้าเป็นโลกบางทีท่านก็ว่าโลก โลกคืออะไรโลกคือรูป น, นามก็คือตัวขันห้าพ้นโลกพ้นโลกก็เหลืออะไรเหลือธรรมใครเคยอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งของหลวงปู่เทศเรื่องสิ้นโลกเหลือธรรมใครเคยอ่านบ้างมีบ้างพวกชราชราชนนะใครเคยได้ยินชื่อหนังสือสิ้นโลกเหลือธรรมบ้างโอ้ชักเยอะเลย ใครเคยได้ยินชื่อหลวงปู่เทศบ์มงโอ้เยอะอใหญ่ไม่ได้ยินแต่ชื่อนัไม่รู้จักธรรมะของท่านก็ยังดีได้ยินชื่อพระพุทธเจ้าไม่เคยรู้จักพระพุทธเจ้านะก็ยังดีดีกว่าไม่เคยเลยทั้งเขียนดีนะสิ้นโลกเหลือธรรมลองไปอ่านดูสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนะนี่ยเส้นทางออกจากโลกนะมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะ เวลาเราจเจริญศีสลสมาธิปัญญาไปเรื่อยโดยเฉพาะการจเจริญปัญญาแต่จเจริญปัญญาเดียเด่ยวๆไม่ได้ต้องมีศีลมีสมาธิรองรับจเจริญปัญญามากๆเข้าการจเจริญปัญญาเนี่ยคือการมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามของกายของใจมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์เพราะฉะนั้ น, <itez? S 2> นถ้าเราไม่เห็นไตรลักษณ์ ของรูปนามของกายของใจไม่เรียกว่าการเจริญปัญญาที่แท้จริงนะเรื่องแบบเอาใจไว้ก่อนเป็นปัญญาด้วยการฟังด้วยการอ่านด้วยการคิดกนะ็เป็นปัญญาเหมือนกันปัญญาจากการอ่านการฟังเนี่ยมันปัญญาของคนอื่นมันะปัญญาของคนอื่นเราไปฟังฟังแล้วเราก็จํามานะอย่างเราอ่านธรรมะอ่านหนังสือของหลวงพ่อฟังซีดีหลวงพ่อบอกแมมเข้าใจธรรมะเราได้แต่ความจํา เราก็มาภูมิใจว่าเรามีปัญญาแล้วเข้าใจไม่เข้าใจหรอกไม่เข้าสมองไม่ได้เข้าใจนั้นกว่าธรรมะจะเข้าใจได้เนี่ยเข้าถึงใจไม่ใช่ง่ายๆนะที่ว่าเข้าใจเข้าใจเข้าสมองบางคนไม่เข้าสมองด้วยนะเข้าหูข้างซ้ายออกหูข้างขวาเข้าตาซ้ายออกตาขวาธรรมะไม่เข้าไปถึงใจ เราต้องค่อยคอยหัดนะมีสตนะิรู้สึกตัวไว้พอเรารู้สึกตัวเนี่ยเราจะรู้สึกกายรู้สึกใจไดนะ้มีความรู้สึกอยู่ในกายมีความรู้สึกอยู่ในใจรู้สึกบ่อยๆอย่อยาใจลอยในขณะเดียวกันเราไม่เพ่งกายไม่เพ่งใจแมนะสิ่งที่เราไม่ทำมี2 อ, อย่างเท่านั้นนะ่ะอย่างที่1ขาดสติลืมกายลืมใจเลื่อนลอยไปที่อื่น อย่างที่สองบังคับกายบังคับใจให้มันนิ่งให้มันสงบให้มันนิ่งนิ่งคงที่ถาวรนะถ้ามันนิ่งมันดีไหมมันก็ดีเหมือนกันได้ความสุขได้ความสงบแต่ข้อเสียมีไหมมีมันไม่แสดงไตรลักษณ์มันไม่แสดงความจริงให้ดูเพราะฉนั้นถ้าเราอยากจเจริญปัญญาคือการเห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจ เราต้องไม่ทำสองอย่างอันหนึ่งขาดสติขาดสติก็คือจิตใจมันเลื่อนลอยไปมันลืมกายมันลืมใจของตัวเองอันที่สองมาบังคับกายบังคับใจให้นิ่งนิ่งเพ่งไว้กวดเอาไว้ควบคุมเอาไว้นะทำให้มันแข็งแช่แข็งไว้ฟรีซมันไว้บังคับมันไม่แสดงไจรักละแทนที่จะเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงจิตใจไม่เที่ยงก็รู้สึกว่าเที่ยงเช่นเราทาสมาธินะ ชั่วโมงหนึ่งก็สงบอยู่ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงสงบอยู่สองชั่วโมงรรู้สึกจิตนี่เป็นของบังคับได้จิตเที่ยงนะเที่ยงอยู่ได้ตั้งสองชั่วโมงจิตนี้มีความสุขแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์กับรู้สึกว่ามันสุขมันทสมาธิมีความสุขแทนที่จะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้ก็รู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งกูบังคับจิตของกูได้ถ้าไปบังคับมันนะไปควบคุมไปแทรกแซงมันนะ แทนที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วกลับไปเห็นว่าเป็นนิจจังสุขังอัตตาไปอย่างนั้นไปมียุคหนึ่งนะมีศาสนาหนึ่งเขาปลอมปนคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอนิจจังทุกขังอนัตตานะเขาสอนเลยศาสนาเขาเหนือกว่าศาสนาเขานิจจังสุขังอัตตาน่าสงสารก็ดีเป็นกันแหละมีอะไรนิจจังไม่มีหรอก มีอะไรคงที่ไม่มีมีอะไรไม่เปลแปรปลุนเลยไม่มีไม่มีสักอย่างเดียวมีแต่ความแปรปลุนเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่ในอำนาจบังคับไหมไม่อยู่อย่างร่างกายเนี่ยอยู่ในอำนาจบังคับของเราไหมมันก็ไม่อยู่นะร่างกายมันก็ไม่เที่ยงสั่งมันนั่งเนี่ยนั่งนิ่งๆนะอย่าปวดอย่าเมื่อยนะมันก็ไม่ฟังนะเดี๋ยวมันก็ปวดก็เมื่อย อย่าหิวนะอย่าหนาวนะอย่าร้อนนะสั่งมันไม่ได้อย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะสั่งมันไม่ได้ตรงไหนล่ะที่ว่ามันเที่ยงเห็นมันจะเที่ยงตรงไหนเนี่ยมันทนอยู่ไม่ได้มันบังคับไม่ได้จิตใจล่ะสั่งมันสิจงมีแต่ความสุขสั่งได้ไหมจงมีแต่ความสุขจงอย่ามีความทุกข์จงดีอย่างเดียวห้ามชั่ว เวลาคิดให้คิดแต่เรื่องดีเรื่องชั่วห้ามคิดสั่งได้ไหมมีใครสั่งได้ไม่มีสักคนเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงนะมันมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวใช่ตนเนี่ยเรามาหัดเจริญสตินะมาค่อยรู้สึกอยู่ในร่างกายรู้สึกอยู่ในจิตใจแล้วดูความจริงของเขาเราจะเห็นความจริงได้นะถ้าเราไม่ใจลอยลืมกายลืมใจนะแล้วก็ไม่ไปเพ่งกายเพ่งใจให้แข็งแข็งนิ่งๆิ่งทื่อ กายกับใจจะแสดงไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลามันแสดงความไม่เที่ยงแสดงความทุกข์แสดงความทนอยู่ไม่ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะไม่จําเป็นต้องดิ้นรนไปหาไตรลักษณ์ที่ไหนเลยไตรลักษณ์แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วในกายใ น, ในใจของเราเองนะการเจริญปัญญาเนี่ยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจของตัวเองดูของจริงในกายดูของจริงในใจนะเด็กนะครสวรรค์นนะั่นเามีค่ายเรียนรู้กายใจนะดีมาก เรียนรู้กายใจก็คอยรู้อยู่ในกาย ร, รู้อยู่ในใจของตัวเองบ่อยๆรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นไปเรื่อยนะซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ำอี ก, อกถึงวันหนึ่งมันล้างความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราจะเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรานะไม่ใช่ตัวเรา กายนี้ก็เป็นวัตถุธาตุยืมโลกมาใช้เริ่มต้นยืมพ่อยืมแม่มาใช้นะยืมพ่อมาครึ่งเซลยืมแม่มาครึ่งเซลมารวมกันเป็นหนึ่งเซลขี้ตัวนี่คือตัวเรายืมเข้ามาใช้แท้ๆเลยถัดจากนั้นก็ยืมของโลกมายืมอาหารยืมอากาศหรือยืมน้ำยืมธาตุต่างๆอามาเลี้ยงจนตัวมันใหญ่ให้มันนี่ยืมเข้ามาใช้นะ ถึงวันนึ่งเราต้องคืนเจ้าของความจริงคืนทุกวันแหละไม่ใช่รอจนตายแล้วถึงจะคืนนะกินเข้าไปแล้วมีใครไม่ถ่ายบ้างอ่ะะนก็คืนทุกวันนะะหายใจเข้าแล้วมีใครไม่หายใจออกบ้างคืนไหมก็คืนนะอกินน้ําเข้าไปแล้วฉี่บ้างไหมเหงื่อออกบ้างไหมก็คืนเขาอีกนะนี่จริงคืนอยู่ตลอดเวลาเลยต่อไปก็คืนมากขึ้นมากขึ้นนะออื ทีแรก้าไปรวบรวมมาได้เยอะหน่อยต่อไปก็คืนเยอะหน่อยหนังตึงๆก็เริ่มคืนเข้าไปนะเหลือหนังเหี่ยวๆใช่ไหมพี่วัยมันเริ่มอย่ามาหัวเราะนะเพาพวกที่หนังตึ ง, ตงๆอย่ามาทำหัวเราะนะให้มันมีบุญได้เหี่ยวเหอะมันจะแก่ใช่ไหมคืนความหนุ่มความสาวให้โรคเข้าไปแล้วคืนสุขภาพที่แข็งแรงคืนเข้าไปแล้วเหลืองอนงนแง่แน่ เนี่ยก็เจ็บไข้สุดท้ายตายไปก็เอาไปเผาทิ้งคืนโลกไปอีกนม่ยืมเข้ามาใช้นะมันไม่ใช่ของเราจริงๆแน้ะแต่เราชี้ตัวว่าเนี่ยของเราของเรายืมเข้ามาจนลืมคิดว่าเป็นของเราตัวจริงหัดภาวนาไปเรื่อยๆรู้ร่างกายนี้ยืมเข้ามายืมาธาตุมาใช้ยืมโลกมาใช้จิตใจก็เหมือนกันนะจิตใจก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง เป็นของธรรมชาติธรรมดายืมธรรมชาติมาใช้ความโลภความโกรธความหลงเป็นของธรรมดาเป็นของธรรมชาติคว า, <c oughs> ความสุขความทุกข์เป็นของธรรมดาของธรรมชาติจิตใจก็เป็นธรรมชาติธรรมดาอันหนึ่งเป็นธรรมดาของจิตใจธรรมชาติของจิตใจคืเป็นธรรมชาติธรรมดาที่รู้อารมณ์เะฉะ้ยืมเพื่อมาใช้ทั้งหมดอ่ะทั้งกายทั้งใจแต่ตรงตัวจิตใจเนี่ยดูยาก ว่ายุดพรามาใช้เรารู้สึกแนบแน่นว่าจิตใจเป็นของเราไม่เหมือนร่างกายร่างกายดูง่ายว่าไม่ใช่ของเรานะจะเห็นว่าจิตใจไม่ใช่เราเนี่ยยากมากเลยเ พ, รพระพุทธเจ้าถึงกระตรัสนะบอกว่าในคําสอนของศาสนาอื่นๆนสามารถสอนได้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเรา จะมีในคําสอนของท่านเท่านั้นที่สอนจนกระทั่งเห็นได้ว่าจิตใจไม่ใช่ตัวตนนี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะไม่มีใครเหมือนเลยศา ส, สนาอื่นหรือลทัทธิอื่นๆนี้จะสอนว่าจิตใจเป็นตัวเป็นตนทั้งหมดเลยบางศาสนาก็ว่าจิตใจนี้เป็นตัวตนและอมตะนีร่างกายตายจิตใจออกจากร่างไปเกิดใหม่คุณไหมอันนี้คุณไหม พวกที่แขว้งป้ว่าเป็นชาวพุทธเราคิดว่าถ้าร่างกายตายแล้วจิตใจออกจากร่างไปเกิดใหม่ต้องสํานึกนะว่าไม่ใช่ชาวพุทธหรอกนะมันมีตัวมีตนที่เป็นอัตตาตัวตนถาวอนพระพุทธเจ้าพาให้เราเห็นว่าจริงๆจิตไม่ใช่อัตตาตัวตนจิตเองเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะเหมือนร่างกายเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวเหลียวซ้ายเดี๋ยวแลกขวาเกิดดับหมุนเวียนไปเรื่อยๆ จิตใจเองก็หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เที่ยงนะมีไหมจิตสุขถาวรไม่มีใช่ไมทุกข์ถาวรก็ไม่มีบางคนอกหักอกหักเนี่ยจะทุกข์นานหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยอกหักถ้าอกหักครั้งที่20ิเรื่องธรรมดาอกหักรายวันละนะเช้าอกหักหเย็นก็มีความรักใหม่นะไี้ไม่เป็นไรนะ ดูลงไปสิจิตใจก็ไม่เที่ยงนะแปรปรวนตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเนี่ยพระเจ้าสอนให้เราเห็นตรงนี้เห็นจนเรารู้ความจริงว่ากจิตใจเองก็ไม่เที่ยงนะจิตใจเองก็ทนอยู่ในภาวะใดนหนึ่งไม่ได้จิตใจอยู่ได้ชั่วคราวนะก็ดับสลายไปเกิดจิตใจชนิดใหม่ขึ้นมาเช่นจิตโลภอยู่ชั่วคราวก็ดับสลายไปเกิดจิตโกรธขึ้นมายกตัวอย่างไปเดินตามศูนย์การค้าเห็นโทรศรัพท์รุ่นใหม่ จิตโลภก็เกิดอยากไดนะ้อยากได้มากเลยมันนึกถึงกระเป๋าสตังค์เหี่ยวแห้งนะใจแลแห้งแรงเลยไม่มีตังค์อยาซื้ออันนี้คือโทสะละนะจิตโลภหายไปแล้วเกิดจิตที่มีโทสะคือจิตที่เศร้าหมองนะไม่มีสตังค์อยาซื้อแมนะจิตมันก็ไม่เที่ยงนะเนี่หัดรู้หัดดูอย่างนี้ยแล้วเราจะได้เห็นนะร่างกายเราก็ยืมเข้ามาใช้นะจิตใจก็เป็นของแปรปรวนนะเอาอะไรคงที่ไม่ได้สักอย่างเดียว มีแต่เรื่องไม่เที่ยงมีแต่เรื่องเป็นทุกข์เรื่องบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวใช่ตนเห็นมากเข้ามากเข้านะวันหนึ่งมันล้างความเห็นผิดว si ่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนถ้าล้างความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนได้นะก็เป็นพระโสดาบันไดเพราะพระโสดาบันเนี่ยท่านล้างความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนพอเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยชีวิตจะเปลี่ยน เปลี่ย <imir> นเราจะเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แน่นแฟนเลยเราจะไม่เห็นอีกแล้วว่ามีตัวมีตนกายนี้ไม่ใช่เราใจนี <reason depending S 2> ้ไม่ใช่เราดูลงมาแล้วจะกลวงๆไม่มีเราดูไงก็ไม่เห็นเราจะกลวงๆว่างๆเห็นแต่ท่าแต่ขันไม่ใช่กลวงๆแบบไม่มีอะไรให้ดูนะไม่ใช่ว่างๆแบบไม่มีอะไรให้ดูดูลงในกายเห็นแต่ท่าแต่ขัน ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่รู้สึกเลยผมกลนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่มีความรู้สึกว่าผมเป็นเราขนเป็นเราเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นตัวเราไม่มีนะลงไปดูในจิตใจก็เห็นจิตใจก็เป็นธรรมชาติอันนึงเดี๋ยวธรรมชาติที่รู้อารมณนะ์เดี๋ยวก็ไปรู้อารมณ์สุขรู้อารมณ์ทุกข์รู้อารมณ์ดีรู้อารมณ์ร้ า, รรายไม่เห็นมีเราตรงไหนเลยนะนี่จะเห็นอย่างนี้นะเป็นพระสสดาบัน พระโสดาบันจะเชื่อเรื่องกรรมเชื่อผลของกรรมเพราะอะไรตอนที่เราหัดภาวนานอยู่เนี่ยเราได้เห็นนะว่าสิ่งท่าไหลายเกิดจากเหตนะุหัดดูหัดรู้หัดดูทุกวันเราจะรู้เลยสิ่งท่าไหลายเกิดจากเหตุไม่ใช่เกิดลอยๆอยนะอย่างความโกรธจะเกิดได้นะก็ต้องมีเหตุนะความโกรธถึงจะเกิดเช่นนิสัยสันดานของเราขี้มโมโหกระทบอารมณ์ที่ไม่ดี เรกระทบ อ, อารมณ์ไม่ดีแล้วเราตรึกตรองอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดีนะเรียกว่ามีพยาบาทวิตตกไอ้คนนี้มันทําเราไอ้คนนี้มันทําเราโทสะก็เกิดไหมกระทั่งโทสะนะก็ต้องมีเหตุราคาก็มีเหตุนะต้องมีนิสัยสันดานสะ ส, สมมาที่จะโลภนะกระทบ อ, อารมณ์ที่พอใจแล้วก็ไปตรึกตรึกตรองในอารมณ์ที่พอใจเรียกว่ากามวิตตก นะเราคอยมีสตินะรู้สึกลงในกายรู้สึกลงในใจรู้สึกบ่อยๆ่อยพอเรารู้สึกแล้วรู้สึกอีกรู้สึกแล้วรู้สึกอีกถึงจุดหนึ่งเห็นเลยร่างกายนี้ก็ของโลกจิตใจก็ของโลกเนะนี่ยล้างความเห็นผิดว่ามีเรานะแล้วเราก็จะเชื่อในกรรมเชื่อผลของกรรมเพราะเรารู้เราทุกสิ่งเกิดจากเหตุไม่มีอะไรเกิดลอยลอนะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบอยู่นี่ต้องมีเหตนะุนั้นเราจะไม่โทษสิ่งอื่นเลยไม่โทษดวงไม่โทษดวงชะตา แต่เราเชื่อกำรรเชื่อผลของกำรรพอเรารู้ว่าถ้าเราทำเหตุอย่างนี้ทำเหตุอย่างนี้ก็ต้องมีผลอย่างนี้คราวนี้เราจะสำรวมระวังมากขึ้นเราจะไม่กล้าทำชั่วนะเพราะผลของความชั่วคือความทุกข์เราจะตั้งใจทาความดีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะผลของความดีคือความสุขเนี่ยเราจะเชื่อในกำรรเชื่อผลของกำรรแน่นแฟนเลยไม่โทษสิ่งอื่นๆหรอกนะไปเชื่อตรงนี้นี่ชาวพุทธแท้ๆจะเป็นอย่างนั้น เชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยเชื่อมั่นพระรัตนตรยัยเชื่อเลยพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมที่จะเป็นเครื่องพ้นจากทุกข์มีจริงๆพระสงฆ์ก็มีจริงเพราะว่าเราปฏิบัติแล้วเราพ้นจากทุกได้จริงมีพยานหลักฐานก็คือตัวเราเองนี่เองนั้นพระโสดาบันเนี่ยท่านเป็นพยานให้ตัวเองได้แล้วว่าธรรมะมีจริงๆรนะิตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยท่านแน่นแฟนน้นเลยว่าธรรมะที่จะทําให้พ้นทุก์ได้มีจริงๆนะ ท่านเชื่อเลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆปุถุชนเนี่ยเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างศรัทธาบ้างไม่ศรัทธาบ้างนี่เป็นธรรมชาติว่าไม่ได้แต่ถ้าได้พระโสดาบันแล้วจะมีศรัทธาแน่นแฟ้นในพระศาสนาจะไม่หาทางพ้นทุกข์นอกพระศาสนาบางคนบอกว่าไม่ทําบุญนอกศาสนาพุทธไม่เชิง อ, อย่างนั้นหรอกทําได้แต่ไม่ได้ทําโดยหวังว่าทําแล้วจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้นะ รู้ว่าทางพ้นทุกข์มีอยู่ทางเดียวที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้นี่เองนะมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะฝึกตัวนี้มากเข้ามากเข้าแล้วพ้นทุกข์ได้จริงไม่มีทางพ้นทุกข์ที่สองเช่นไปไหว้เทวดาไหว้เทวดาถามว่าพระพุทธเจ้าห้ามไหว้เทวดาไหมไม่ห้ามนะเพราะเทวดาเป็นคนดีไหว้คนดีจะเสียอะไรเห็นไหมท่าไม่ได้ห้ามไหว้เทวดา แต่ท่านสอนให้เรารู้ว่าสารณะของเราจริงๆคือพระรัตนตรยัยเทวดานี่นเราไหว้ได้แต่เรารู้ว่าเทวดาไม่ได้ช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้จริงนะไม่ทำให้เราบารรลุมรรคผลนิพพานได้จริงช่วยเหลืออย่างอื่นได้นะช่วยได้บ้างนะแต่อย่าไปขอผ่วยเทวดานะเทวดาไม่ชอบหรอกนะเทวดาไม่ชอบเล่นการพนันเทวดาไม่สอนให้คนทำชั่วเทวดาไม่สอนให้คนทำผิดศีลนะเพราะเทวดามีฮิริโอตปะ อย่างสมมติหลวงพ่อตายไปแล้วไปเป็นเทวดาอยู่ต้นไม้ข้างหน้านี้ใครมาขอหวยเราไม่ให้นะให้มันฉลาดหน่อยไปขยันท ร, รมหาหากินขยันอดออมสะสมเงินทองไว้รู้จักช่องทางหากินคบคนดีๆไม่ขี้เกียจขี้คลานดำรงตนให้พอหมอพอควรกับสถานะของตัวเองไม่จนหรอกนี่นี่ถ้าแก้จนแบบพระพุทธเจ้านะสมเหตุสมผล งั้นเราจะไม่มีที่พึ่งนะสารณะไม่มีสารณะอื่นนอกจากพระรัตนตรัยแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีที่พึ่งอื่นอย่างเราเป็นลูกเราก็พึ่งพ่อพึ่งแม่ใช่ไหมเป็นภรรยาก็พึ่งสามีสามีก็พึ่งภรรยาใช่ไหมพ่อแม่ก็ไปพึ่งลูกพึ่งกันไปพึ่งกันมาพึ่งได้ไม่ใช่พึ่งไม่ได้นะแต่ไม่ใช่ที่พึ่งเพื่อจะทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกเป็นที่พึ่งบรรเทาทุกเพื่อจะอยู่กับโลก งั้นอย่างเราไหว้เทวดาไหว้อะไรต่ออะไรเ น, นี่ยนะท่านไม่ได้ห้ามทีเดียวแต่ว่าต้องฉลาดพอว่าเราไหว้คุณธรรมไหว้คุณธรรมอย่างคนไหว้เทวดาต้องรู้ว่าเราไหว้คุณธรรมของเทวดาอะไรคือคุณธรรมของเทวดาฮิริโอตตะ ป, ปะคือคุณธรรมของเทวดาเทวดามีหิริมีความเกรงกลัวบา้มีความละอายที่จะทําบาปมีโอตตะ ป, ปะเกรงกลัวผลของการทําบาป เนี่ยถ้าเราไหวคุณธรรมอย่างนี้นะในใจเราก็เออไม่ทําบาปนะทําบาปแนละ้วมันไม่ดีเนี่ยลราอายใจที่จะทําบาปไม่ว่าอย่างนี้ดีไหมเอาธรรมะเข้ามาสู่ใจหรือเราไหว้พระพรหมได้ไหมต้องไหวให้ถูกนะบางคนเอาผลไม้ไปไหว้พระพรหมพระพรหมไม่มากินผลไม้เราหรอกเป็นะแค่เครื่องบูชานะเราไหว้อะไรเราไหว้คุณธรรมที่ทําให้คนเป็นพระพรหมนะ เมตตากรุณามุทิต า, า, า, ตาอุเบกขาเนี่ยเราไหว้พระพรอมแล้วเราก็ต้องทำใจให้เหมือนพระปรอมด้วยนะจเจริญเมตตาเจริญกรุณามุทิต า, า, า, ตาอุเบกขาเนี่ยนี่อย่างนี้เราก็จะได้เป็นพระพรอมนะคือจิตใจของเราเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขเหมือนพระพรอมนะเห็นไหมเราไ่ว้อย่างนี้เพื่อจะอยู่กับโลกนะงั้นไม่ไม่ใช่สระณะ นะไม่ใช่สารณะสรณะนั้นหมายถึงที่พึ่งอันกเกษมที่พึ่งจะทําให้เราปลอดภัยอย่างแท้จริงมีแต่พระรัตนตรัเท่านั้นนะพระโสดาบันนั่นแหละถึงจะได้สารนี้มาพวกเรายัางเป็นพวกไม่มีสารณะนะแต่ว่าเราอาศัยการปฏิญาณตัวพุทธทางสารนังขจฉามิธรรมังสารนังขจฉามิประกาศไว้ก่อนประกาศไว้ก่อนประกาศเสร็จก็ขอศีลขอศีลเสร็จออกเครืงว่าไปกินเหล้าต่อนะ เวนเวนเวนเวนนะหรือยังไม่ทันจะออกจากวัดเลยนะก็เริ่มนินทากันมีไหมใครมาวัดแล้วนินทาคนอื่นมีไหมยกมือให้ดูสิสารภาพมาใครมาวัดหลวงพ่อแล้วเคยนินทาคนอื่นบ้างพวกที่เหลือคือพวกพูดเท็จนะนะนะนะค่อนข้างนะค่อนข้างนะมีใครไม่เคยพูดเทศบ้างใครจะกล่าวเท็จว่าไม่เคยพูดเท็บ้างมีไหม เป็นไหความชั่วนําทําได้เราก็ทําชั่วนะแต่ละคนมันก็เคยทํามาแล้วค่อยๆฝึกเอานะค่อฝึกไปเรืพัฒนาจิตใจนะเฉะนั้นรักษาศีลไว้ฝึกจิตฝึกใจให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวนี่ก็มีสมาธิอย่าลืมเนื้อลืมตัวคอยรู้สึกอยู่ในใกายรู้สึกอยู่ในใจนี่รู้สึกอยู่ในตัวเองบ่อยๆจิตใจมีสมาธินะแล้วก็มาเจริญปัญญามาเห็นความแปรปรวนความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยๆไป ในสุดเราก็จะได้จุดหมายแรกเป้าหมายแรกได้เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีไม่มีเราในขันหานี้ไม่มีเรานอกขันหานี้ได้พระโสดาบันต่อไปภาณาอีกนะเป้าหมายที่2ก็ถึงเป็นพระสกทาขากิเลสเบาบางลงกิเลสจะเบาบางราคะตัวสามโมหะเบาบางวาสติปัญญามันไวสติมเร็วมากเลยกิเลสเกิดแวบสติรู้ทันกิเลสเกิดแวบสติรู้ทักนกระทั่งฝันนะ ฝันเรื่องไม่ดีสงสว่าจะฝันเรื่องไม่ดีฝันจะด่ากับคนสติรู้ทันเลยว๊แบบไม่โกรธแล้วในฝันยังไม่โกรธเลยนี่เร็วขนาดนี้นะสติเร็วเหมือนฟ้าแลบเลยแวบบ็แบบแวบแบว๊บนะต่อไปฝึก อ, อีกนะได้ผ่านนาคาเป็นเป้าหมายที่3เราจะพ้นจากกามและปฏิฆาการมและปฏิฆาเนี่ยเป็นความยงใหญ่ของจิตต่ตอสิ่งแวดล้อมภายนอก พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสข้างนอกเนะพื่อเปลื่นพอใจในรูปรูปสวยๆชอบเสียงเพราะๆชอบนะกลิ่นหอมๆชอบรสอร่อยชอบสัมผัสนุ่มนวลอบอุ่นสบายชอบนะอย่างนี้เรียกว่าติดในกามนะในกามหรือไม่ชอบเห็นรูปไม่สวยก็ไม่ชอบได้ยินเสียงไม่เพราะก็ไม่ชอบได้กลิ่นไม่หอมก็ไม่ชอบนะนะ บางทีได้กลิ่นหอมก็ไม่ชอบยกตัวอย่างมาอยู่วัดอยู่กลางคืนได้กลิ่นน้ําอบหอมๆอมลอยมาไม่ชอบหรอกนี่นะแต่ อ, อย่างนี้ก็มีนะอันนี้เพราะใจไม่ชอบนะจมูกเราคงชอบรแต่ใจไม่ชอบมันคิดต่อไปเรื่องอื่นนะตรงที่ชอบใจตรงที่ไม่ชอบใจนี่แหละกามแล้วก็ปฏิฆะนะงั้นจิตใจเนี่ยยังโยงถ้าเป็นพระอนาคามนะินจิตใจไม่โยงใยกับสิ่งแวดล้อมภายนอกนี้แหละ ไ ม, ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสทางร่างกายเหลือแต่ความยินดีพอใจทางใจยินดีพอใจในความสุขยินดีพอใจในความสงบยินดีพอใจในคุณธรรมความดีของตนเองที่เหนือคนอื่นดีใจไม่ไม่พอใจนะบางทีแอบไม่พอใจนะเศร้าใจหน่อยๆแต่ว่าไม่ใช่เศร้าโศกนะหมายถึง เวลามองครูบาอาจารย์หรือมองพระพุทธเจ้านะถอนใจหน่อยๆเมื่อไรจะได้อย่างท่านแต่ไม่ใช่โทสะนะรู้สึกเออเมื่อไหรจะได้อย่างท่านไม่ใช่โทสะเป็นมานะรู้สึกว่าเราได้กว่าท่านยังด้กว่าท่านเมื่อไรจะได้อย่างทาง่านเนาะนี่กิเลสมันจะละเอียดนะกิเลสจะละเอียดะะเยดมื่อทีก็ฟุ้งซ่านในธรรมะค้นคว้าพิจารณาธรรมะไปเรื่อยคิดพิจารณาธรรมะอยู่นี่ฟุ้งซ่านในธรรมะ แต่เบื้องต้นทําได้นะอันนี้เป็นคุณธรรมของพระอนาคาหรอกที่ว่าจะไม่ฟุ้งซ่านในธรรมะของเราต้องอาศัยฟุ้งซ่านในธรรมะไปก่อนดีกว่าฟุ้งซ่านในอาธรรมเพราะถ้าไม่ฟุ้งซ่านในธรรมะจะฟุ้งในอธรรมเพราะฉนั้นให้ใจมันเวียนอยู่กับธรรมะดีดกว่านะเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆนะในสุดล้างกิเลสชั้นละเอียดได้นะกิเลสชั้นละเอียดสุดเลยคืออวิชาร์ล้างอาวิชาได้นะ อุทจจะความฟุ้งในธรรมะก็หายไปมานะคือความถือตัวนะเทียบเขาเทียบเรานะดีกว่าเขาแย่กว่าเขาหายไปนะแล้วก็ความติดอกติดใจในความสงบของจิตสงบอย่างมีรูปสงบอย่างไม่มีรูปนะความสงบนะก็ไม่ติดอกติดใจก็รู้สึกว่านี่เป็นภพอีกภพหนึ่งนะเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ถ้าถึงอย่างนี้นะจิตจะทิ้งขันเลยจิตจะวางขันนะพรากจากขันนะ จิตขันต่างคนต่างอยู่สบายมีความสุขไม่ทุกนะข์ละนะขันก็ดำลงอยู่ต่อไปจนมันหนึ่งหมดอายุแล้วขันแตกขันดับนะหรือถูกคนตีตายถูกรถทับตายเนะรือบินตกตายอนะไรอย่างนี้ขันแตกขันดับไปนะธรรมาธนะาตุธาตุของธรรมเนี่ยไม่ได้แตกได้ดับไปด้วยนะขันดอกที่ดับสิ้นโลกแล้วจะเหลือธรรมอยู่ธรนะรมนี่แหละรวมตัวเข้ากับธรรม ทำรวมตัวเข้ากับธรรมะทำทรงทำอยู่ไม่หายไปไหนเนาะตรงนี้ยากแล้วต้องภาวนาถึงจะเห็นนะงั้นสิ้นโลกก็เหลือธรรมนะสิ้นโลกก็คือสิ้นขันนั่นแหละเหลือธรรมะอยู่ไม่ใช่สิ้นโลกแล้วก็ไม่เหลืออะไรสักอย่างเดียวอเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับนิมนต์